ซีดีชุดที่ท่านกำลังจะได้รับฟังต่อไปนี้ผลิตเพื่อเป็นธรรมทานแจกฟรีกว่าจะเป็นซีดีหนึ่งแผ่นให้ท่านมาฟังกันสบายๆไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับต้องแลกมนด้วยหยาดเหงื่อแรงกายและกำลังทรั์ที่หลายคนได้สละมาดังนั้นกรุณานำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงมากที่สุดหากไม่ถูกจริตหรือไม่ฟังไม่ได้นาไปใช้ประโยชน์ ควรส่งต่อให้ท่านอื่นที่ต้องการเช่นถวายพระมอบให้วัดโรงเรียนชมรมหรือคนที่ท่านรู้จักนะครับจะเป็นบุญกุศลกับตัวท่านเองสืบต่อไปหากคุณร้องยีเวลาได้ยินคำว่าธรรมะนั่นแสดงว่าคุณยังไม่พร้อมจะพบกับคนดีๆคู่ครองดีๆงานดีๆและสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตเพราะธรรมะเท่านั้นที่จะทาให้คุณได้รู้จักทาบุญได้ถูกทาง และบุญที่ถูกทางนั่นแหละจะนํามาซึ่งคนรักดีๆสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตสละเวลาสักนิดฟังธรรมะวันละหน่อยจิตจะค่อยๆสว่างสวยเกิดปัญญาสแสวงหาสิ่งดีๆและแก้ปัญหาให้ตัวเองได้นะครับมนุษย์เท่านั้นที่พัฒนาตนและทำบุญได้สูงสุดอย่าปล่อยโอกาสที่ได้เกิดมาเป็นคนที่สูญเสียไปฟรีๆกับเรื่องไร้สาระที่คิดว่าเป็นสิ่งจาเป็นในชีวิต อย่ารอให้ทุกข์แล้วค่อยหันหน้าเข้าหาธรรมะวันหนึ่งที่ความตายใกล้เข้ามาคุณจะเสียดายที่ครั้งหนึ่งมีโอกาสแต่กลับไม่ฟังไม่อ่านไม่ศึกษาไม่ทําในสิ่งที่จะให้ความสุขกับคุณได้จริงความสุขในช่วงเวลาอันแสนยาวไกลกับพบใหม่หลังจากคุณหลับตาทิ้งชีวิตนี้ไปยังไม่สายนะครับแค่เปิดฟังวันละไม่กี่นาทีแล้วสิ่งดีๆจะปรากฏในชีวิตนี้ให้คุณเห็นทันตา ชีวิตคุณคุณเลือกได้ที่จะให้ฉลาดหรือโง่จะทำบุญหรือจะทำบาปโชคดีนะครับ